ส น, นีวิดีโอครอบครัวข่าวสอตร .fm 1อ6เับประกชาพรมาภาไพบูลอภิปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโศกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์ที่เป็นการทำงานลหลายคนก็มีการเดินทางไปทำงานตั้งแต่เช้าตรู่มีการฟังธรรมะระหว่างการไปเดินทางหรือว่าบางคนก็อยู่ที่บ้าน ลุกขึ้นมาแต่เช้าก็ฟังธรรมะได้เหมือนกันเพราะว่าธรรมะธรรมบังอยู่ที่บ้านเราก็เอามาใส่ใจอยู่ที่ทำงานระหว่างการเดินทางเราก็เอามาใส่ใจได้เพราะว่ามันเป็นของที่เกิดขึ้นที่ในใจของเราเกิดขึ้นที่ใจดวงไหนจิตใจของใครแล้วก็นำความดีความสว่างความงามให้เกิดขึ้นปรากฏความงามความดีความสว่างที่เกิดขึ้นในใจของบุคคล น, นั้นบุคคล น, นั้น ก็จะผ่านออกมาเป็นลักษณะของการพูดจาที่มีวาจาไพเราะมีวาจาเป็นสุภาพสิทธิเป็นการกล่าววาจาที่จะทําให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันให้กําลังใจกันถ้าบอกว่าจิตใจมีธรรมะมันแสดงผ่านออกมาทางกายเป็นการให้ทา น, เ ป, น, าทานเป็นการที่จะเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แสดงถึงความมีเมตตาความกรุณาที่เป็นการกระทํำทางกายออกมาได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจที่มีธรรมะ เข้าไปแทรกซึมอยู่นั่นเองธรรมะที่เข้าไปแทรกซึมชุบโลมอยู่ในจิตใจนั้นก็มาจากการที่เราอาศัยการที่เราฟังธรรมะนั่นเองคุณฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆจะเป็นสื่อที่มาจากเสียงอย่างวิทยุนี้หรือว่าเป็นการอ่านที่มาจากหนังสือหรือเป็นสื่อทางวิดีโอก็าอาจจะส่งข้อความเป็นวิดีโอมาทางโทรศัพท์มือถือสื่ อ, ส, อสังคมเครือข่ายต่างๆหรือแม้แต่ทางทีวี แต่คนดูทีวีก็มีรายการธรรมะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นช่องทางที่ให้ธรรมะเข้ามาสู่จิตใจของเราด้วยารทางตาทางหูซึ่งเวลาที่ธรรมะมันเข้ามาแทรกซึมโลมในจิตใจของเรานี้การที่จะทําให้ธรรมะ น, น, นั้นได้ประสิทธิผลได้ประสิทธิภาพทําให้เกิดเป็นการกระทําทางกายทางวาจาที่ดีออกไปนั้นเราก็ต้องมีกระบวนการเป็นไปบ้างกระบวนการที่จิตใจนั้นจะถูก ชุบฉลมด้วยธรรมะสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมก็ค่อยลดลงไปสิ่งที่เป็นกุศลธรรมก็ค่อยๆมากขึ้นสร้างขึ้นมีขึ้นไอกระบวนการที่ทําให้อกุศลธรรมลดลงไปกระบวนการที่ทําให้กุศลธรรมเพิ่มขึ้นมานี่กระบวนการตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสัมมาวายามะจะเป็นการทําความเปลี่ยนชอบเป็นการขุดกล่าวชนิดหนึ่งการขุดกล่าวที่เกิดขึ้นนี้จากการที่เราฟังธรรมะเราฟังด้วยใช้หูฟัง จิตใจใคร่ครวญแต่พิจารณาเห็นตามจริงอาจจะยากบ้างง่ายบ้างก็ใ ค, คร่ครวญพิจารณาเอาแต่ลักษณะนี้เป็นการขูดกล่าวเป็นการที่ฝึกกระทําการฝึกกระทำการปฏิบัติทําให้เกิดขึ้นเป็นการขูดกล่าวในลักษณะ น, นี้นี่คือกระบวนการที่เราฝึกจิตนั่นเองกระบวนการที่เราฝึกจิตโดยการนําสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลธรรมออกไปโดยการทําสิ่งที่เป็นก Л ุศลธรรมให้เกิดขึ้นในใจแังเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอ ก, กุศล ก็อาศยการฟังการอ่านการดูในสิ่งที่เป็นธรรมมานั่นเองธรรมมาที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาวไว้แล้วมีอยู่แต่เป็นข้อมูลเป็นหลักฐานที่เร า, าปรากฏมีเอาวไว้เรานําสิ่งต่างๆเหล่านี้มาพิจารณาใกล้ค ร, รวญเอาอันนี้ถูกต้องส่งไว้ในใจเอาอ น, นี้มีอยู่ในใจของเราไม่ถูกต้องก็ขเขี่ยมันออกไปอันไหนที่เรายังไม่มีขเขี่ยออกไปได้แล้วไอ้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่มันยังไม่เกิดเราก็ป้องกันอย่าให้มัน เกิกลับขึ้นมาสิ่งไหนที่เป็นกุศลธรรมที่เรายังไม่มีเราก็สร้างสมฝึกเปลือยให้จิตใจของเรามีสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมะเหล่านั้นเกิดขึ้นในลักษณะนี้คือการทําความเปลี่ยนนั่นเองเป็นการที่เราจะต้องตั้งจิตของเรานะให้มีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นการตั้งจิตตรงนี้ก็คือสตินั่นเองที่เราตั้งเอาไว้ลักษณะการที่บุคคลในบุคคลหนึ่ง่ฝนะึกจิตฝึกใจให้มีความพร้อมมีการที่จะทําสิ่งที่เป็นกุศลธรรม ทำความดีความงามในจิตฝึกจิตฝึกใจในการที่จะละความพยศความไม่ดีในจิตของเราออกไปลักษณะการฝึกตรงนี้ก็คือบุคคลที่ฝึกได้นั่นเองบุคคลที่ฝึกได้เป็นทรรมบูฟังที่ฟังธรรมะอยู่บางคนก็ฝึกได้มากบางคนก็ฝึกได้น้อยก็แล้วแต่กําลังของแต่ละคนซึ่งการฝึกตรงนี้ถ้าเราเป็นคนที่ฝึกได้ตามกําลังกําลังของเราเนี่ยถ้าเรามาเจอกับบุคคลผู้สามารถฝึกบุรุษ ที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าแต่ซึ่งในกรณีนี้ก็คือสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าของเราสมณโคดมเป็นผู้ที่ฝึกคนที่ควรฝึกได้ต้องคนที่ควรฝึกได้เลยนะท่านบว่คนที่พอจะฝึกได้นะคนที่พอจะฝึกได้ก็คือคนที่เอายังฟังธรรมะอยู่คนที่จิตใจมีลักษณะว่าเออเปิดมาได้ยินเสียงพระเทศเป็นเสียงธรรมะก็ไม่เปิดคลื่นหนีแต่ยังตั้งใจฟัง ลักษณะนี้เข้าข่ายของบุคคลที่พอจะฝึกได้พอจะฝึกได้ในลักษณะที่อย่าน้อยยังมาสนใจซึ่งไอาการฝึกได้ผลออกมาเสร็จหรือไม่เสร็จอย่างไรเนี่ยอันนี้มันก็แล้วแต่กําลังแล้วแต่ความเพียรแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนซึ่งมันมีมากน้อยไม่เท่ากันละซึ่งไอาการฝึกตรงนี้พระพรุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเต็มรวังเปรียบเทียบไว้กับการฝึกช้างเนะว่าช้างที่ผ่านการฝึกนะมีคุณสมบัติ4ี่อย่าง แต่เป็นช้างที่เรียกว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชานะองค์อวัยวะก็หมายถึงช้างที่คู่บรารมีกับพระราชาเลยแตนะ่เป็นช้างที่ควรจะใช้สอยจัดว่าเป็นราชปานาได้ซึ่งช้างนี้ก็ต้องมีคุณสมบัติแต่ถ้าเปรียบเทียบกับบุคคลก็ต้องมีคุณสมบัติสี่อย่างเหมือนกันเรามาฟังเรื่องราวตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นภาษาบาลีนะครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆทั้งกะแปลออกมาเป็นภาษาไทย บางส่วนก็แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษเอามาอ่านเปรียบเทียบให้ท่านฟังได้ฟังถึงความที่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกแปลมาจากภาษาบาลีนั้นมีความเข้ากันมีความสอดคล้องหลงรับกันได้อันนี้เป็นลักษณะของพุทธพจน์อยู่แล้วแต่ที่ไม่ว่าพราะพุทธเจ้าจะตรัสไว้ตรงไหนก็จะมีความสอดคล้องรับกันแหละแต่มาฟังเรื่องราวที่เปรียบเทียบกับช้างแต่เปรียบเทียบกับบุคคลแต่บุรุษในธรรมะปรนนี้อย่างที่มีลักษณะ ในการที่ว่าจะเป็นบุคคลที่ฝึกได้เป็นบุคคลที่ฝึกดีเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีจะมีลักษณะอย่างนี้พระราชาได้เคยตรัสไว้ในพระสูตรที่เรื่องเกี่ยวกับการฝึกช้างในที่เป็นช้างต้นของพระราชาช้างต้นหรือช้างพลายเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า bull elephant คือช้างที่แบบมีกําลังพระราชาได้ตรัสไว้ตรงนี้อย่างนี้ว่าพิสุจน์ตร้งหลายช้างต้น ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติ4ประการต่อไปนี้สมควรที่พระราชาจะใช้สอยจัดได้ว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชา4ประการคือช้างต้นในกรณีนี้เป็นช้างที่รู้ฟังเป็นช้างที่รู้ประหารเป็นช้างที่รู้อดทนและเป็นช้างที่รู้ไปพิกุล Possessing four factors, a king's bull elephant is worthy of a king, a necessary of a king, and reckoned as a factor of kingship. And what for? Here, a king's bull elephant is one who listens, who destroys, who patiently endures, and who goes. พิสุทนายกช้างต้นที่รู้ฟังเป็นอย่างไรเล่าคือช้างต้นในกรณีนี้เมื่อควานช้างสั่งให้ทำการอันใดที่เคยทำหรือไม่เคยทำก็ตามย่อมทำในใจอย่างทั่วถึงรวบรวมจิตทั้งหมดมาเงี่ยโสดคอยสะดับฟังอย่างนี้แหละเรียกว่าช้างต้นที่่รู้ฟัง and how Is a king's bull elephant, is one who listens. Here, whatever task the elephant trainer sets for it, whether or not it has ever done it before, the king's bull elephant hears it, attends to it, directs his whole mind to it, and listens with eager ears. It is in this way that. กษัตริย์โบอีเลฟเว่นคือคนที่ฟังปีสุดทั้งหลายช้างต้นที่รู้ประหารเป็นอย่างไรเล่าคือช้างต้นในกรณีนี้เข้าสู่สงครามแล้วย่อมประหารช้างบ้างผู้อยู่บนหลังช้างบ้างประหารมาบ้างประหารผู้อยู่บนหลังมาบ้างย่อมประหารรถบ้างคนประจำรถบ้าง ย่อมประหารพลเดินเท้าบ้างอย่างนี้แหละเรียกว่าช้างต้นที่รู้ประหารพิกัส And how is a king's bull elephant one who destroys? Here, when a king's bull elephant has entered the battle, it destroys elephants and elephant riders. It destroys horses. and cavalry. It destroys chariots and the charioteers. It destroys infantry. It is in this way that a king's bull elephant is one who destroys. ช้างต้นที่รู้อธนเป็นอย่างไรเล่าคือช้างต้นในกรณนีนี้เข้าสู่สงครามแล้วอธนต่อการประหารด้วยหอก ด้วยดาบด้วยลูกศรอดทนต่อเสียงคกือกกล้องแห่งกลองบันดอสังและหมอรุ้ึกอย่างนี้แหละเรียกว่าช้างต้นที่รู้อดทน And how is a king's bull elephant one who patiently endures? Here, when a king's bull elephant has entered the battle. It patiently endures being struck by spears, swords, arrows, and axes. It endures the thundering of drums, kettle drums, c o a n g e s and tom toms. It is in this way that a king's bull elephant is one who patiently endures. แล่าต้นที่รู้ไป เป็นอย่างไรเล่าคือช้างต้นในกรณีนี้กวานช้างจะส่งไปสู่ทิศใดที่เคยไปหรือไม่เคยไปก็ตามก็ยอมไปสู่ทิศนั้นโดยพลันอย่างนี้แหละเรียกว่าช้างต้นที่รู้ไป And how is the king's bull elephant One who goes here The king's bull elephant quickly goes to whatever region the elephant trainer sends it, whether or not it had ever gone there before. It is in this way that a king's bull elephant is one who goes. ส่างต้นที่ประกอบด้วยคุณ ส, สมบัติ4ประการเหล่านี้แหละสมควรแก่พระราชาจะใช้สอยจะได้ว่าเป็นอโงคโ์วะของพระราชา possessing these four factors, a king's bull elephant is worthy of a king, and accessory n d of a king, and reckoned as a factor of kingship. ที่สุดท้ายฉันไหนก็ฉันนั้นเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยคุณสมบัติ4ี่ประการต่อไปนี้ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญควรทำมัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า 4. ี่ประการอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้รู้ฟังเป็นผู้รู้ประหารเป็นผู้รู้อดทนและเป็นผู้รู้ไป Because so too one possessing four qualities Is worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of reverential salutation, and unsurpassed field of merit for the world. And what for? Here, one is one who listens, one who destroys, one who patiently endures. and one who goes เพราะเธอเป็นผู้รู้ฟังเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อธรรมวินัยอันตาคตรประกาศแล้วอันบุคคลแสดงอยู่ย่อมทำในใจอย่างตัวถึงรวบรวมจิตทั้งหมดมาเงี่ยโสดคอยสดับฟังธรรมะอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าเธอเป็นผู้รู้ฟัง And how is one who listens, here, when the dhamma and discipline, proclaimed, by the Tathagata, is being taught, one heeds it, attends to it, directs his whole mind to it, and listens with eager ears? It is in this way that one who listens. p s t n a บุคคลเป็นผู้รู้ประหารเป็นอย่างไรเล่าคื อ, อในกรณีนี้ย่อมไม่อยู่เฉยย่อมละย่อมมันเทาย่อมกระทําให้สิ้นสุดไปย่อมกระทําไม่ถึงซึ่งความไม่มีซึ่งความคิดในทางการมความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นย่อมไม่อยู่เฉยย่อมละ ย่อมมันเทาย่อมกระทาให้สิ้นสุดไปย่อมกระทาให้ถึงซึ่งความไม่มีซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้แหละเรียกว่าเธอเป็นผู้รู้ประหาร b i c a u s and how is one who destroys Here one does not tolerate an arising sensual thought And the rising thought of ill will, and the rising thought of harming, but abandons it, dispels it, terminates it, and obliterates it. He does not tolerate any other bad, unwholesome states that arise from time to time, but abandons them, dispels them, terminates them, and obliterates them. it is in this way that a piku is one who destroys ก็บุคคลผู้รู้อดทนเป็นอย่างไรเล่าคื อ, อในกรณีนี้เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกรายอดทนต่อสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลือล้อยคลานทั้งหลาย อดทนต่อคลองแห่งต้อยคำอันหยาบคายร้ายกาดเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นต่อเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจราวกับว่าจะนำไปเสียซึ่งชีวิตอย่างนี้หละเรียกว่าเธอเป็นผู้รู้อดทน And how is one who patiently endures? Here, one patiently endures cold and heat, hunger, and thirst, contact with flies, mosquitoes, wind, the burning sun, and serpents, rude and offensive ways of speech. He is able to bear up with a r i s o n bodily feelings. That are painful, ragging, sharp, piercing, harrowing, disagreeable, sapping one's vitality. It is this way that a piku is one who patiently endures. ก็เธอเป็นผู้รู้ไปเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ทิศใดอันเธอเคยไป หรือไม่เคยไปก็ตามตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้กล่าวคือ น, นิพพานอันเป็นที่สงบระงับแห่งสังการทั้งปวงเป็นที่สลัดกินซึ่งความยืดถือทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความคลายกำนัดเป็นความดับเย็นเธอก็เป็นผู้ที่ไปสู่ทิศนั้นโดยปลันนั่นเดียว อย่างนี้แหละเรียกว่าเธอเป็นผู้รู้ไป and how is one who goes here one quickly goes to that region where he has never before gone in this long stretch of time that is the stealing of all activities the relinquishment of all acquisitions the destruction of craving i s p a ิส i o n ันซิ a ซ i ันและดิบาน way that a p ใน p บบ is one who goes เป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม4ประการเหล่านี้ลหละย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่ของทาบุญควรทามัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่น ยิ่งไปกว่า possessing these four qualities, one is worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of reverential salutation, and unsurpassed the field of merit for the world. ลักษณะของบุคคลที่บรโบรช่าบอกว่าเป็นผู้ที่ควรต่อการบูชา เป็นผู้ที่ควรต้อนรับเป็นผู้ที่ควรรับทักษีนาทานเป็นนาบุญของโลกเนี่ยลักษณะนี้ก็คือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคซสัญญาว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคก็คือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนแต่ถ้าเราจะแปลคําว่าสงแล้วก็แปลว่าหมู่สาวกก็คือผู้ฟังคําสอนแต่ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคําสอนธรรมดาธรรมดาต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีด้วยนั่นเกิดคำว่าสุปฏิปันโน หมูแห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือสุปฏิปันโนภะกวโตสาวะกะสังโขเพราะนั้นบุคคลที่ทําความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่ว่านี่แหละตาม4ี่นัยยะเนืรู้จักอดทนต่อสิ่งที่อดทนได้ยากอดทนต่อความหนาวความร้อนรู้จักในการละสิ่งที่ควรละเนื้อเกิความละไอสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่อยู่ในใจเนื้อประหารออกละออก เนื้อสัที่เขาใช้คือคําว่าประหารคือการล่าออกไปเนะื้อรู้จักในการที่จะฟังนะคือฟังธรรมะนั่นเองใครกล่าวธรรมะอยู่ก่องเหงี่อหูฟังก่องเหงี่อหูฟังเนะื้อรู้จักในการที่จะไปเนะื้อสั่งให้ไปไหนก็ไปละช้างเช่นเดียวกันว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าชี้ทางไปสู่นิพพานเอาเราก็ปฏิบัติเพื่อในการที่จะไปสู่ทางนั้นให้ได้นี่ลักษณะของผู้ที่ฟังคําสอนผู้ที่ปฏิบัติตีด้วย นะซึ่งตรงนี้บุคคลที่ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีกุนอาจจะกนผมผมเหลืองก็ได้าาก็จะว่าเป็นสงสาวกที่เป็นสุปฏิปันโนกุนอาจจะนุ่งขาวไม่ได้โกนผมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือว่ายังเป็นคารวาสอยู่แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติดีได้ปฏิบัติดีในที่นี้นก็คือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติดีในเรื่องของการฟังธรรมะปฏิบัติดีในเรื่องของการที่รู้จักจะละสิ่งที่มันอกุศล รู้จักในการที่จะอดทนรู้จักในการที่จะฝึกจิตฝึกใจให้ไปสู่เส้นทางที่จะไปสู่นิพพานได้การฝึกจิตการปฏิบัติตรงนี้เหมือนการฝึกช้างแต่เปรียเทียบเอาไว้แต่การฝึกช้างท่านผู้ฟังซึ่งช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีจิตมีใจเราลองฝึกรองชงใช้กุสโลบายมีลูกเล่นลูกชนให้มันกินให้มันอดพูดดีๆบ้า ง, งหรือว่าตะวานมันบ้างตะคอกมันบ้างเพื่อให้มันรู้จักในการที่จะรับฟังคําสัง่ง นั่นคือบางทีก็ต้องใช้ตะขอเป็นศาสตราบ้างบางทีก็ต้องใช้ด่าว่าก็เป็นอาทยาบ้างแลซึ่งการฝึกศาสตร์บางทีก็ต้องเป็นอย่างน so like ี้แหละใช้อาทยาบ้างใช้ศาสตราบ้างแต่การฝึกในธรรมะวินัยนี้เป <ini> ็นการฝึกที่ไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้ศาสตราเป็นการฝึกด้วยธรรมะล้วนๆธรรมะเรื่องของศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ด่าไม่ว่าคนละแต่ชี้ให้เห็นโทษ ทําอย่างนี้นะไม่ดีนะไปตกนรกนะทําอย่างนี้ดีนะขึ้นสวรรค์นนะไปดีนะเนะี่ยชี้ให้เห็นสิ่งที่เป็นโทษชี้เห็นถึงประโยชน์แล้วก็ให้ทํานะนี่คือธรรมมาเตมุฟังไม่ได้ต้องใช้การด่าตะคอกฆาดโทษอะไรต่างๆแตนะ่ไม่ต้องมีมันเป็นเรื่องของกรรมล้วนๆเป็นเร่ององใช้ศาสตราเป็นอาวุธมากนะูหรือออกกฎหมายนะมีการฆาดโทษมีบทลงโทษไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องของกรรมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการฝึกที่โดยไม่ได้ต้องใช้อาทยาไม่ได้ต้องใช้ศาสตรานี่ยมันดีกว่าการฝึกช้างเป็นไหนไหนอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้ดูให้เข้าใจเฉยๆจมูกฝังนีว่ามันคล้ายๆกันมันอุปมาเปรียบเทียบกันได้แต่การฝึกด้วยธรรมานั้นดีกว่าเยอะเนะเป็นการฝึกที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เช่นเฉยลองดูสิจมูกฝังลองดูถ้าเราลองมาฟังทำดูเราลองละสิ่งที่เป็นอกุศลดู เราลองล่าสิ่งที่เป็นอกุศลดูเอาแค่นี้พอคุณจะรู้ถึงอ น, นิสงฆ์ในการฟังธรรมจะรู้ถึงอ น, นิสงฆ์ในการที่จิตใจไม่มีอกุศลไม่มีการพยาบาทเปลี่ยนเบียนไม่มีความเร่าร้อนไม่มีความรุ่มร้อนและเป็นการฝึกที่ดีมากได้ผลทันตาเห็นในเห็นได้ทันทีบุคคลที่เป็นอย่างนี้แม้ควรที่จะไปเห็นไปดูไปแล้วหรือถ้ามาที่บ้านก็ควรจะได้รับการต้อนรับเป็นลักษณะที่เป็นนาบุญของโลกนั่นเอง เนี่เป็นบุญใครเห็นก็เป็นบุญอยู่ที่ไหนก็เป็นบุญเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้นในบริเวณอนั้นต์เองข้าพเจ้าพระมหาไพาบุญอภิปุโนโจากวัดป่าดอนไฮโซถ้าท่านผู้ฟังยังมีคําถามก็สงสัยเกี่ยวกับในเรื่องใดๆในธรรมะต่างๆเหล่านี้จะเป็นภาษาไทยก็ตามเป็นภาษาอังกฤษก็ตามก็าสามารถติดต่อได้โดยไปที่เว็บไซต์เพ e ยวธรรมะ .com p u r e d h a m m a com วันนี้ก็มีเวลาเท่านี้ท่านผู้ฟัง เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเรื่องราวที่ยังอยู่ในหมุดของความเปลี่ยนเรื่องประพสูต์ที่เป็นสองภาษานี้เหมือนกันเริญรบ